เทศอบรมพระวันที่27ิมิถุนายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ก็ดีตลอดแต่ต้นจนจบกันหน้าบีมีเทศบ้างและพูดธรรมะต่างๆมีเรื่องหลวงปู่แหวนอาจารย์เทศ และเทวทัตสมัยปัจจุบันพยายามล้มล้างศาสนธรรมพูดเรื่องจุดสว่างของจิตอยู่วัดดอยธรรมเทดีกันนี้ไม่ควรให้ใครอัดไปจากวัดต้องปเป็นคนเป็นหลักเป็นปเกณในคั้นพุณธศา ร, ร์ ถี่งานพิธคโนเป็นงานสำคัญมากยี่กว่างานอื่นใดนั่งของให้เห็นโทษของผู้เยียบภายในตัวสมบเสมอยืนเดินนั่ ง, ง น, อนอน6ฐนหาทุกสิอที่อย่างให้มีความรูม้สึกมีสติในลักษณะข อ, ข, อของผู้เห็นภายอยู่เสมอ น, น, นั่นแหะต้องกระด้า ง, งจิตไม่คู่กับททางสมันเป็นยังไงันไม่ทราทไมเป็นแถวแบบนี้หจเบลึงขึ้นมาคชหวังว่าจะเพื่อตักันแถวมันก็เคย อ, อยู่ตั้งแต่นั้นมาแล้วทาไมถึงต้องให้เปลี มันคือความไม่เห็นภัยความติดรถติดาต่าความเห็นแต่ความมตตาบอกเป็นธาสติดกับธรรมทั้งนั้นในเรื่องธรรมและละเอียดมากสุดๆแต่อยากเข้าใจว่าเป็นธรรมดาเนะื่องจากนั่นเัน็นแสนงของมันเราเึ้งที้ดียวยิ่งซึมเข้าไปทุกวันผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันนะท้อนตับลงในห้านมันขวางในกิดเลส ค ว, วามวอกหวงกันคิตท่านจะมากกว่าิตเรามันเป็นยังไงจิตท่านเป็นสิไม่ีที่เหล็กอยที่เป็นที่เหล็กปิาณเป็นที่เหล็กแทรกเข้าไปท่านรู้กันมันไม่ ไ, ไม่ใช่ลักษณะของความเห็นผ่านมีอะไรก็่าดลงไปนันน ะ, ะมีมากมีน้อยไม่ถึงใจเราอาหารดีไม่ดี มีมากมีนอนมีเท่าไรก็ฉนันไมทตางเรื่องพอยังฟีดให้เป็นไปเท่านั้นนั่นจึงที่ว่าเป็นผู้เห็นไพรว่านั่นแหละคำพูดของพูดไม่มีกิเลสพูดกับความรู้สึกของเราการกระทํของเราเที่มีกิเลสมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามันพากันฟังอย่างผีงใจนะถ้าเราเอาพูดทางเจังกระฉันเป็นหลักใจ สังขังสนังอระฉามในวงปัจจุบันนี่ก็มีประแหมะปวัาจาวจันันเป็นหลักสังฆั ง, งนังกรามอย่างตายใจใได้ให้มีถึง่น่อยู่ท่านแล้วหายถึงต่ไม่มีอะไรเลยเนถึงได้น้อมรับถึงร้อยเศษไม่มีตายเพราะหม้ อ, อให้ดูวิยาการของท่านแสดงออกที่อยากเป็นลักษณะของผู้หญิงไทยคือตื่นตัวอยู่เสมอ นั่นแหละที่พูดถึงผัดการขอบการฉันมีอะไรได้ต่อไปทํามเรื่องตามราวท่กิดขึ้นความมั่งมั่นมนอยู่กับธรรมแล้วอะไรก็ไม่กังวลการขอบการฉันอะไรได้หมดอาหารประเรื่ใดไม่ขัดกับหลักธรรมหลักพิมานและนอกจากขัดกับทา่าประกที่เป็นโลกเป็นไัแล้วหลักพื้น่าน อันคือผู้เห็นไผ่ยังพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปลงพระเหนวกจะเป็นคนขอทานจากตอนเป็นกจ็จจดลงถึงขั้นเป็นคนขอทานธรรมดาทั่วๆไปเหมือนโลกเขาแล้วแต่ตอนไม่มีศาสนาท่านทำไมท่านทําได้ดีเวลาจะฉันเหมือนกับว่าไส้เหมือนที่ฉันลากหมานมันฝืดมีใบแปะเรื่อความกระดับเล่นผมนั่ง ของที่ไม่บาปว่าเป็นของปฏิคุณ้าอยู่ในท้องอราต้องนั้นเองว่ามันกฏิคุณมันยิ่งร้ายกว่านั้นเนี่ยสังเกตป้าหวเพราะอาหารของคนขอทานเป็นองว่า เ, า เ, เาขาจะจะได้ของดีของดีอะไรามาให้ทานท่านเนื่องจากศาสนาว่าทําบุญให้ทานเนี่ยไม่มีสูงมากไม่มีน่าบวดที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ดับพุทธศาสนาเ น, นี่ยในระยะนั้นก็ยังไม่มี เป็นนางบวชอย่างที่เราเห็นนี่นะดูสถีนี่โคลนดูสีดำบอกโอ้โหทางจิธรรมดานเขาก็ให้ประเภทธรรมดานั่นนั่ให้ศรัทธาความเชื่อทำอะไรก็ลบนับถืออะไรเหมือนให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่เชื่อศาสนาดังที่เป็นที่วันนี้วจะหาของเดือเปือมาจากไหน เราจะให้ที่เด็กเหยียบย่นทำลายจิตใจได้เป็นนักต่อขึบนแบบงเป็นนักเคอนคว้าเป็นนักเหตุผลเป็นผู้มีความรู้สูงเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตนนิดเป็นอนักสาคัญผู้คนจับตก โ, โดยกำลัง ชั้นังก็นกระถางของพวกเราท่านหนึ่งในครั้ ง, ง, ง, งพุ ท, ทธการพระสงฆ์สาวกที่ามาบวชมาจากตรุกอะไรบ้างเราก็เห็นกันทุกคนตระกุลกษัตริย์ก็เยอะพระมหากษัตริย์ก็เยอะเ<ม>ยอะพระวงศ์กษัตริย์ก็แม่ น, อน้อยทีมหาเจ็ดทีดูพีรองกันลงมาต้งก็้งพ่อค้าประชาชนคนธรรมดา พอามาบวชแล้วเข็นทิศทางเดินของท่านตรงแนวต่อมาผลฟานเหมือนกันหมดแล้วเมื่อเข็นทิศทางเดินตรงแน่วนั้นความพากเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอากาศปิยาที่จะด้ออกจะไม่ตรงแน่วได้อย่างไงเพราะอันนั้นเป็นเหมือนแม่เล็แล้วดึงดูดเครื่องสนับห น, น, นึ่งในไหนให้เป็นไปตามนั้นทั้งนั้นมันื่องสนับหนึน่งคือความเพียรความโภคพอใจความอบความกด เร่องบเบิกก็คือสติปัญญาบูเบิกไปเรยฟาดปันไปเลื่อยเปนร่างายเป็นพระพระปังคังเจ้นนานประชาไม่พวเรานั่นแหละครั้งพุทธการท่านเดินท่านเดินอย่างดำเนินอย่างนั้นเราจรึงต้องคํานึ่งเสมออย่าไปดูไอสิ่งไหนที่จอมปลอมมาเป็นแล้วอย่าเมาเป็นแบบเป็นขบับพระพุทธเจ้าไม่ใช่กราสดาจอมปลอมทำไม่ได้ทาจอมปลอม ถ้าสง์ที่เราถือเป็นแสสนะไม่ใช่จอมก่อนเป็นหลักใจได้อย่างแม่นยำไม่มีเคลื่อนขั้วมีแรงเฉงใสท่านเหล่านี้เป็นท่านผู้วิเศษโดยตรงตามหลักธรรมชาติด้วยเป็นผู้วิเศษตามคำเล่ายู่จากหลักธรรมชาตินั้นด้วยเราจึงยึด ข่านเป็นหลักทมองหลักทาหลักลิ้นไหนั่นแลคือหักศาสดาหลักของพระสงฆ์สาวกลิ้นดวมใจของพระโพธิ์ดวงพระไทยของพระพุทธเจ้าและดวงใจของสาวกกระหา่นทั้งหลายอยู่ที่พระธรรมปวีณาใหเยึกนี้ตรงนหลั้นอ่านไปตรงไหนว่าควรหรือไม่ควรให้เหมือนกับพระพุทธเจ้ารงที่บอกหู่ต่อหน้าต่อตานั้นหรือพระสงฆ์สาวกพี่ๆบอกด้วยอันนี้ไม่ควรอันนั้นไม่ควรอันนั้นยาอย่าทา เหมือนประธานด้วยพระโอษฐ์อย่ า, นานงนั้นแดลว่ามันได้พูดว่าทำในเมั่อว่าที่เราถาคขดบรรณไว้จะเป็นศุดสดาแทนแเราถาคขดเมื่อเวลาเราผ่านไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรที่เจ็บเพื่อนข้าแมาน้นิดหนึ่งถึงนิธทรทั้งหมดที่แสดไงไว้ก็ดีเข้าในก็ดีเหมือนอจุจดจดาราขี้บอกยี่ต่อหน้าต่อตา งานหลักการดำเนินเพื่อความมั่นใจของพวกเรายาวถือใครเป็นจัตตาเป็นเนตที่แบกจะบอกดังที่นานอาจารมั่นทั้นสองเรื่องในมุตดภัยตั้งมั่นท่านกระประธานโลกกับธรรมเพราะท่านอาจารย์มันม่นเป็นผู้บูเบิกไปที่ไหนเขาทีแรกเขาไม่เครู้ก็ เ, เห็นก็ต้องคาต้องค้านต้องหยุดตรงขวางไม่ว่าทีไงไปที่ไหนเป็นแต่ท่านเป็นจอมปากท่านหลบท่างห ล, ลีก เอาจานได้มันหายไปเพราะกระเพื่อนผู้ใดบางทีจิตาจมันก็มีลักษณะแปลกๆขึ้นมาที่ถือเป็นค่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแย่พวกเนื้ออุบายต่างๆก็แสดงขึ้นภายในจิตท่านอยากให้เราถือถ้าถือเราสถากพดเป็นศาสดาอย่าไปถือปากสกคบตกเป็นศาสดา องค์คณะช น, น, น, นมิคาเป็นเรื่องของโลกธรรมมีมาแต่ดั้งเลยแต่ถาคตก็เกิดในข้ามกลางอย่างโลกธรรมลาโคตไม่ติีโลกธรรมเราบริสุทธิ์แตถาคตก็ต้องอยู่านนังานโลกหาประมาณไม่ได้ความวินัยนั่นแหลคือประมาณอันเหมาะสมอย่างจร่งอันยึเป็นหลักอย่าไปสนใจกับสิ่งสุขสุขโสมมงทั้งหลายเหล่านั้นไหน ที่นเขียนี่ผู้เขียนว่าในมุมตะวันไทนี่เดียวคนพูดฟังเรื่อยๆแบบนี้ขอยู่กระทั่งมาเป็นเวลาหลายปีทำไมจะไม่ฟังฝีขน้องคนน้กงคนทำมันน้อ่คนล้วกคนเนี่ยหลักท่านนํ้นเลยท่านขอให้ภาพมันดิบหลับให้ดีอย่าไปสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ให้มาเป็นเครื่องปิดขวาง่วงทมภายในใจให้เรื่อนช้าให้มุ่งต่ออัตธรรมที่พระองค์ รวมไปแล้วเมื่อนี้อย่างเดียวนิดเป็นหลักเป็นเกลียดเป็นความสุกอยู่คนเดียวเป็นความสุกรื่นเดิงต่างองค์ต่างท่านที่อยู่ด้ยวยกันมนจํานวนมากน้อยมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันมันก็มความรื่นเดิงประดับขขด เ, เครื่องการณ์ให้สวยงามและเป็นเพื่อนค้าช่วยให้มีความอบอุ่นต่อ ก, กันจํานวนมากเป็ น, นน้อยไม่สำคัญ ทุกควที่จิตใจเป็น อ, อกเป็นธรรมด้การใชดูด mm hmm. ้วยกันได้ท mm ั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็คนเราเข้าจะเรื่องคนงเยอะไปแล้วครับเราไม่ใชยโลกเราเป็นลูกกิตติาคพธ mm hmm. เกิดที่ไหนก็คน mm hmm. เกิดในบ้านก็คน mm hmm. เกิดในป่าก็คน mm hmm. เกิดในเมืองก็คน mm hmm. เกิดในกรุงก็คน mm hmm. เกิดประเทศเจ็ดแดนทวีปใดก็คนหลักคำว่าคนนี่คือความสมบูรณ์เต็มที่แห่งมนุษย์ของมนุษย์แล้วถือเอาตรงนี้ นี่ละพระพุทธเจ้าผาดเงินมันไม่ถือชาติชั้นมันละใบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษยถาคตจึงมีทุกชาติชั้นมันละเป็นลูกสถาคตทั้งนั้นผู้ใดมีความเพียรความใสปฏิบัติตามพระองค์ท่านแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่เช่นไหนชาติชั้นมันละใดสามารถที่จะบรรลุถึงจึดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันหมดลูกศิษก็ก็ทรงตกเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ทรงแยกเป็นจัตย์เป็นส่วน นั่นไฝนี่แบบโลกที่ถะนุนตัวแล้วเหยียบคนนั้นยกตัวขึ้นมาแบบของโลกมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆก็อยากจะยิงอยากจะดังมีเจตยศชื่อเสียงมชาติท่านวันนั้นสูงธรรมชาติธรรมชาติแท้รรรรก็คือคนมหลักความจริงนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นเครื่องเครื่อนเสียงกันขึ้นมาต่างหากไม่ใช่เป็ น, น, น, นเรื่องความจริงความจริงตามสมมตุติอันแท้จริงก็คือคนน นั้นเสมอภากันหมดแล้วคำลักคนด้วยกันถึงจะเป็นภาษาใดก็ตามใครหยิ่บ้านในเมืองใดก็มีภาษาของตนเป็นเครื่องใช้เข้าใจกันแล้วก็เป็นอ่างถูกต้องทุกสิ่นทุกอย่างแม้แต่ตนโนสัตว์ต่งตางๆเขามภาีภาษาของเขาเองเขาบอกสะดวกสบายเข้าใจซึ่งกันและกันไดเหตุใดมนุษย์เรารู้เรื่องของกันและกันอยู่แล้วจะไม่เข้าใจกันได้ เน่ยลูกผิตปรถาคตเป็นดย่างนะั้นจะเกิดมาในสถานจากสถานที่ใดก็ตางมาเข้าถูอหลักธรรมี่นายว่าหรือแนบเนียนด้วยกันทัน้งหมดว่าธราะนี่าเป็นสิที่กรมเก่าิู่ใจให้มีความแนบเนี่ยแนบเนียนด้วแนบแนท่านี้ต่อกรารโดยการปฏิบัติเคยพูดให้ฟังเสมอ นอกจากหลักการ่างการปฏิบัติที่อธิบายมาแล้วเบื้งงองต้นพระพุทธเจ้าและสงสาวกท่านผ่านเนินท่านดำเมิอย่างนั้นถือกิตภาวนาเป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดแต่เราเป็นธรรมดาในประสัตรเขาก็ทำดวงทำาลังทำนั่นทำนี้ผลป่ ว, วยตามสภาพของเขามานุษย์เรา ที่มาวอดเป็นพระมาจากคนคนมีบ้านมีเรือนภระพรมที่อยู่เพียใสมีเครื่องทช้ไม้ถอยอะไรขาดตุบบุบต้องเขาจำเป็นจะต้องความฝ่ายเช่นเดียวกันในกิจที่พึ่งควรเกี่สมณนตที่จะต้องทําก็ต้องทําแต่มาให้เป็นการข้ามเพื่อเป็นการหุ่นวายจนถึงกับเป็นอารมณ์วุ่นวายกับสิ่นั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการเหยียดย่ำทําลายกิจแต่งตัวลงไปด้วยเพราะความกังวลเป็นสําหัก เป็นค่าสิดให้น้ำมันระวังนี่จรได้พยายามระวังเสมอแล้วคิดไว้ก่อนแน่ใจว่าไม่ผิดอย่างคิดดูยังเคยเคยพูดให้ฟังแล้วพระเจ้าอยู่หัวจะถวายเงินทั้งสร้างบททั้งหลังเรายังไม่รับได้ขนาดแล้วมีไหมในประเทศไทยองค์ไหนองค์ไหนที่พระเจ้าอยู่หัวถวายเงินสร้างบทั้งหลังไม่รับ นี่เราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกันแต่เราพูดวงภายนอกเราบอกเรามีรักศานารักมันไม่ได้ไว่าพะ น, นั้นเสียความจริงแล้วหลักธรรมที่เราเล็งอยู่นั้นที่เราการาบไหวบูชาเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตยิ่งกว่าสใดที่เราจะเทิดทูนอย่างสุดชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเราไม่เทิดทูนนะนะครับเรื่องการสร้างโบสําหรับวันนี้มีความจําเป็นอะไรสิ่งได้ที่ทจําเป็นแล้วก็ ทำสิ่งนั้นจิดต่ภาวนาเป็นงานจําเป็นอย่างยิ่งนี่น ท, มมท่านท้ามูสุธนกรรมทําที่ไหนก็ได้ตามล้มไม้ใจเขาที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรตามหลับเข้าในจริงแล้วไม่มีอะไรขัดข้องการสร้างหมสถ์สร้างหารจริงควรให้เป็นที่เป็นฐานไม่ใช่จะสร้างดาบไปหมดสร้างบนหลังหนึ่งเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกันครับข้างเขาที่จะต้องจัดต้องทํานี่เป็นยังไง ทางจะต้องเปิดตั้งแต่นี้จะมาทรางถึงที่สร้างเบกิบกบดบุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงานแล้วมีทั้งหญิงทั้งชายที่เข้ามากองนี้ทั้งช่างทั้งควบคุ ง, งานและไม่ขาดมาจากห น, น่วยตำบลใดทางราก็ไม่เคยรู้เลยว่าสนาตึงอยไรแล้วเัาความ <c oughs> เป็นระเบียบเรียบร้อยมาให้เราให้เป็นความสมบูรณ์แกเราได้อย่างไร มันก็เหมือนเอาเทวทัตมาทำลายวัดนี่และแตั้งแต่ขนาดที่เปิดโอกาสตกลงกันร้อยๆแล้วนั้นนะ่ะไม่ว่าคนว่ารถว่ารายมาดูตลอดเวลาประตูปิดไม่ได้เลยรัาฐธรรนทีชน่ชนนี้ที่จะเอาสร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็ของทังหนาผ้าอ่างจัดาาามาเป็ น, อ น, นเอาอะไรมาเป็นความทั้นังเราคีดว่านี่เราคิดอย่างนั้นนะทําเป็นสิ่งสำคัญมากพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ยิ่ ไม่ใช่นักสร้างผู้สร้างยุทธารแต่เวลาท่านรู้อ่านรู้ธรรมภายในจิตใจท่านแล้วท่านเป็นยังไงการประกาศธรรมสอนโลกยกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านสร้างอะไรนอกจากทสร้างจิตสร้างใจท่านเต็มแม่เต็มห่างเต็มเม็่เต็มหน่อยสติกําลังความสามารถจนเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเป็นภูมิและสั่งสอนโลกเป็นยังไงเราดูเอาคนนับถือท่านอาจารย์มั่นทั่วประเทศไทยเราตลอดทั้งนอกนอก ผลของการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีใจเป็นหลักเป็นเกลือเรื่อด้งธรรมแล้วสั่งสอนโลกเรื้อว้างขวางนขนาดไหนอินทรียนี่แหละทำภายใใจใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนาามากสามารถที่ทาประโยชน์ได้มากมายเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจแล้ว้บทหลังไหนที่มีอำนาจวัสนามา้าประเที่ยวประกาศศาสนาสอนโลกสอนสารให้เขาเข้าถึงจิตถึงใ จ, งใจทราบซึ้ง เป็นคนดีขึ้นมาได้เราเคยเห็นบทบลบบังไหนเราไม่ไประมาท<ม>เราแยกมาเทียบเทียงกันตามหลักเหตุผลเราไมไ่ประมาทล้วไม่ให้สร้างบสถสถานที่ควรสร้างเร้ไม่ว่าแต่สถานที่ไม่ควรจะสร้างเขาไม่ควรที่จะมาทําลายสถานที่มีเป็นสถานที่สร้างความน้ากิดใจให้มีหลักฐานมั่นคงแล้วพระองค์หน<ม>ึ<ม>่งองค์หนึ่ง ได้ประโยชน์ทางหน้าจิตใจและจะทําประโยชน์ให้โลกได้กว้าขงขวางมากมายเท่าไหร่เล่าคิดหมดแล้วเรื่องเหนี้เพระนาะฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานที่นี้มาจากพระต่างๆกันผมจึงเห็นใจและอุตส่าห์พายายามอบรมสั่งสอน อ, อี่างเสมอไม่ละไม่ปล่อยไม่วางแม้จะสอนประชาชนไม่ได้ผมยังพายายามหาด้วยด้เวลาออโอหังกะขอบวกประโยชน์ของพระเอีงด้วยเวลาพระได้รับประโยชน์จากการ ได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นหลักเป็นเกณฑ์พาจิตใจหน้าจะประกาศลักศาสนามันเป็นไปเองเมื่อเรามีสมบัติแล้วก็แจกจ่ายได้แต่แบบขายก่อนชื่อนั่นจมเท่านั้นแหละยังไม่รู้เรื่องอะไรสอนตงงนเลยังไม่ได้เพื่อประกาศสอนประชาชนพลเมืองก็งเลยกลายเป็นโลกคมีแล้วกันร้ายยิ่งกว่โลกไป่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของสาวกท่านที่พาดาเนินมาท่านรู้จะก่อนองไหนๆก็เหมือนกันก่อนที่จะนำ ทำใบสอนเราเราเห็นแ่ก่อนไม่งั้นเอาเราจะสอนเขาเอาแต่คําพูดไปจะไปสอนเขามีหลักมีเกณฑ์อะไรมันกม็มีที่ซึ้นสา่ามันอยู่ที่ยึดที่เหนียวมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเหมือ น, นเรามีคุณธรรมเป็มหัวใจเราแล้วได้สอนคนนั่งเฉยเฉยก็มันก็มีเป็นปรัชญาธรรของท่านอย่างนั้นผู้ที่มีธรรมภายในใจอยู่ไหนมันก็มีอยู่นะั่นอย่างนี้เยอะ การอุรมจิตใจมีคุณค่าอย่างนี้เพราะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังมรรคผลทีพผานอย่าไปฆ่าไปหมายใดในวงกายกับจิตหนึ่งอยู่ตรงนี้ในวงขันห้าเอาให้ดีอันใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจก็พิจารณาไปดังที่ว่ารูปเขียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสเพราะความพัวพันความติดทั้งรักทั้งชังมันติดเท่านั้นแหลจิตใจมันติดทั้งรักติดทั้งชังติดทั้งโกรธทั้งเกลียดติดไปหมดมันจึงต้องแยก แยกขี้คลายออกให้รู้เรื่องหุ่นละว่านัดจิตหายสงสัยนถอนตัวเข้ามา่เรียกว่าปล่อยวางทบทวนเข้าใจแล้วด้วยการพิจารณาคนดูท่านก็ไม่ไปที่ไหนนั่นก็รวมมาที่ใจเมื่อใจไม่กังวลวุ่นวายเพราะปัญญาวานล้อมให้ทราบเรื่องราวหมดแลใจก็ไม่ไปกังวลจะ ท, าทาําสมาธิภาวนาก็สมุสะดวกสบายจิตใจมีความสงบร่มเย็นเอาคี้คลาทางนา้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆถึงการเวลาที่ควรพัฒนา ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากชาติเป็นผ้า พ, พื้นเป็นเครื่องควบคุม ง, งานให้เป็นไปด้วยความเจาะจงเป็นไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นไปด้วยเพียรณาปัญญาก็าทำหน้าที่เป็นเม็ดเป็นหนวเมื่อเห็นผลทางการเพียรณาได้มากหรือน้อยแล้วปัญญาก็เขยืดเพราะความมีเกียรติเหมือนเวลาฆ่าอะไรที่มีกำารขึ้นมาจะนักการค่านัา่นก่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าฆ่าอะไรก็ ซื้อสิบขายห้าซื้อสิบขายห้ามันขาดทุนกาดทุนโลกขี้เหร่ของเรามาซื้อห้าขายสิบซื้อห้าขายสิบไม่ทำลายทับทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจจะพยายามภรวนาด้วยความตั้งตั้งใจแล้วจะต้องเป็นซื้อห้าขายสิบไม่สงสัยจะไปนั่งอยู่เฉยเหมือนหวัวต่อต้อมีความรู้สเหอะไรกับอดกับทำแต่ไปวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของยี่สัญหาล้นล้วนแล้ว นั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมาทั บ, ทบถมจิตใจให้มีความอับเ้ายิ่งขึ้นไปเมาโม้เสือดังโม้คิดมัวอ่านไม่รู้อ่านรู้รทําเป็นไงเดินจกกงกรมก็เลยมีแต่การข้าวขาไปนั่งประมาทธิก็ ส, สับแต่ว่ากิริยาหรือมีแต่กิริยาความทําจริงๆคือจิตนั่นเป็นไปตามโมกตางิสาูเสียงเครื่องเครื่องแล้แบบอดีตนนอนาคตวุ่นไปหมดแต่นในจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นกําไรมันก็มีแต่ หาทุนผนปี้ปที่นี่เจ้าของขี้เกียจที่นี่นะจะว่าเพราะเจ้าของหาทําทางขี้เกียจเจ้าของเองเจ้าของก็เดินเองผล ข, ขอนความขี้เกียจคือกอ ง, งทุกข์ผมหัวใจทุกภพทุกชาตเป็นไปเพราความขี้เกียจเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นจึงเห็นความขี้เกียจเป็นโทษเห็นแพงความขี้เกียจน่าพ ย, ยายามพลิกแาลงเปลี่ยนการงสติปัญญาเพื่อลบล้างความขี้เกียจด้วยอุบายต่างๆอยู่สม่ำนั่นแหละคือผู้ฉลาด สร้างตัวของเราเนี่ยสําคัญมากยกว่าสร้างอินเดียจะหนักจะเบาก็ตั้งเถอะมันเท่าตัวของเราเนี่ยมันรู้สึกยิ่ใส่ก้องงามเนาะของเราของกําลังของเราไปได้พระพุทธเจ้าสงสอนไว้ให้ความเหมาะผสมกับเราอยู่แล้วเช่ปริมาณอย่างทำที่พอประมาณก็แปดหมื่นสี่พันมาทำอาคารแล้วสรุปลงได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือโพติวกีธรรมสามที่เกตประการ นี่ถ้าหลุดแล้วก็ไม่เห็นมากหมายก็อยู่ในวงการกับจิตของเรานี้ทั้งนา้นทําไมเราจะทําไม่ได้เดินจงกรมมันสืบเนื่องไปเดิมหนับด้วยสตินั่งสมาธิไปมันสืบเนื่องไปหนับการบังคับบัญชาตนอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้มีความเพียรเราจะเห็นว่าการบังคับบัญชานั้นเื็นเสียรเป็นหนามแล้วการต่อยตามบังเภอยใจนั้นมันเป็นกุญญากรดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันก็พิศพิทามันแทรกเข้าภายในจิตใจจนลืมเนื้อลืมตัวไปแล้ว เนความเพรแลเป็นค่าต่อตัวนี้นที่เหลือเป็นนีเป็นสหาย น, ะนั่นแหละมันตายไม่มีเมียางเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด น, นั่นจะเอาให้จริงจังที่อยู่ก็รู้สึกว่าเหมาะสมสถานที่นี้ถึงจะไม่เป็นมหาวิทยาลัยอย่งครั้งพุทกรรมอยู่าาาตามป่าตามเขาต่ามแต่ก็เป็นป่าไม่กิเหมาะสมเราก็พยายามช่วยในทุกด้านทุกทางเพราะเห็นใจบอกว่าเรา พูดได้ใครจะมาเกี่ยวข้องท่านสุดไม่ว่าจะชาติท่านภาวน า, าเข้ามาเกี่ยวข้องเราพูดได้ทำนั้นเหตุผลมีแล้วเราพูดได้เราไม่เกง่งผู้ใดในโลกอันนี้เราเก่งแม้แต่ทำเคารพทำมากดีกว่าเคารพผู้อื่นใดสิ่งใดในโลกนี้มาถึงการที่จะพูดโดยอดโดยธรรมแล้วเราพูดได้ไม่ให้เค้าตะลุกวนเวลานี้ท่านําวนาแล้วอย่าตะลุกตะลท่านนะเนี่ยเราบอกแล้วท่านทํางานของท่านน่ะ เวลาไปเอทโรเไปท่านยินเสียนก็หลบหลีกหนีเสียนั่งภาวนาคอยไปเสียเดินยกําลังเดินยังกรมอยู่ก็หลบไปเสียทาให้เสียการเสียงอของท่านของส่วนไปลุกควนในเวลาเช่นนี้เวลาไหนที่เหมาะสมเราก็บอกบอกไปเหตผลให้เป็นที่เข้าใจเขาจะโกดจะเครียดเราไม่สนใจกับเรื่องของมนเพราะเราถือว่าการพูดลงไปตัวเหตุผลนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราไม่มีอะไรถึงความสีหาย หากจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายก็เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไม่ดีต่างหากที่อยู่ก็เป็นที่จำเพาะจำเพาะท่านนั่งรู้สึกมันร่างกายมันหนักให้เดินม า, มากๆไม่ได้ทำงานก็ให้เดินมากเป็นการทำงานการสติให้ดีความเพียรอยู่กับสติเป็นสำคัญา การพิจารณาของเอาร่างกายของเราเนี่ยมีร่างกายของผู้ชาหญิงชายอะไรก็ตา่างเวลาพิจารณาถ้ามันเห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆมีชื่อว่าสติปัญญามากมีได้ทั้งภายนอกภายในเพราะสมุทัยคือตัวพิเรนมันมีได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเติดรูปกินเสียงกิ่นรถอันนีมน้มันก็เป็นสมุทยยัยแล้วรูปเสียงกินรถสนามอยู่ข้างนอกไปติดอันนั้นไปติดสิ่งนี้ไปติดคนนั้นคนนี้นั่นเป็นสมุทยแล้ว แก้เหติดข้องนั้นด้วยปัญญาขาแล้วมันให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็เป็นมากเพราะฉะนาการพิจารณาจะพิจารณารูปใดหญิงใดช า, ายใดได้ทั้งนั้นพิจารณาให้เป็นธรรมเป็นพิจารณาให้เป็นอรูปะคือความปฏิปุลโสโครตปายช้าผีดิบเดี๋วพิจาณเป็นอังจังทุกขาตาซึ่งเป็ความจริงด้วยกันทั้งนั้นมันได้ข้างนอกก็ได้มันในก็ได้ต้องขับต้องคืนกัน ฟาดเปียนกันเป็นที่ระหว่างที่เละกับทำเป็นฆ่าติดกันมาแต่การไหนอยู่ในรวงใจอันเดียวกันมันเป็นฆ่าติดต่อกันอยู่อย่างนั้นส่วนมากเมื่อที่เละเป็นไปได้เปรียบอยู่เสมอเราไม่รู้สึกตัวถ้าว่าเราเรารู้สึกตัวบางวันนี้เราแพ้กิเลสประเภทนั้นนั้นประเภทนั้นเราก็จะมีอุบายวิถีหรมีแก่ใจที่จะฟื้นสติปัญญาสัทตาความเปลี่ยนขึ้นกล้าแข็งแล้วต่อสู้อันนี้เป็นไม่ใช่ชนะทั้งนั้นิี่เรียกว่านักรล ขึ้นเวือทีไม่รู้แพ้รู้ชนะมีแต่ถูกนอกลงไปนอคลงไปจะฉลบทลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันได้ละร อ, อย่างนั้นมันเห็นความแพ้ความชนะบ้างที่ชื่อคูมีสติปัญญาทดสอบตัวเองวันไหนก็เดินตักรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นทํานั้นเห็นได้เรื่องอะไรเป็นเครื่องสะดุดใจความสงบก็ไม่ปรากฏให้เป็นเครื่องสะดุดใ จ, อ, ดใจอุบายสติปัญญาี่ คิดขึ้นมาก็มันพอเป็นผลไม่เป็นเครื่องสุิใจแล้วมีแก่ใจที่ต้องพิจาต่อไปเพราะได้ผลเป็นประจับเป็นเด็ดอย่เ พ, เพิ่มการเพิ่มความเปลี่ยนขึ้นแล้ว น, นี้มันก็ไม่ได้ผลของเร่งหักทีควรเวลาควรจะเด็ดก็ต้องเด็ดเวลาธรรมนาก็ธรรมราพอที่เด็ดมันผ ล, ลออกมามัแล้วก็ผลในกันรับกันเอาจะตายก็ตาย น, นี่เคยเป็นแล้วไม่ได้พูดเฉยนะ เวลามันควรจะเอากันอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงลยนลเนีแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้มันแน่ใจเลยแ ล, แล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่า<ม>ได้ผล น, <ม>นะมันตัวนั้นกิเลสตัวนั้น<ม><ม>แยกแยะไปพิจารณาเองกับเัาคู่ปฏิวัติจะดีนิสัยไม่เหมือนกัน แต่พึงทราบว่ากิเลสมันชอบความอ่อนแอเสมอ น, นะธรรมะชอบความเค ล, เลื่อนแฉกความเคลื่อนแสงเป็นชนะเป็นการชนะความหมดนแอความฉลี่เป็นเครื่องชนะความโง่กิเลสพาคนให้งโง่พาจิตใจให้งโง่ตัวกิเลสนั้นไม่ได้โง่ปัญญาปัญญาจึงต้องไปชา้าเพื่อปราบการความโง่อันเป็นตัวกิเลสหลังใจนั้นนะหมดไปหมดไปความช่างามองใจไม่ต้องบอกละเพื่อพอดปรากฏดขึ้นมา ธรรมสมบัติเป็นสิ่งสำคัญมากโลกขาดธรรมสมบัตินี่แหละโลกถึงได้ร้อนสมบัติภายนอกไม่เป็นประโยชน์อะไรพอที่จะให้โลกได้รับความนุ่มเย็นถ้ามันมีสมบัติธรรมสมบัติภายในใจลแล้วรักษาตัวรักษาโลกให้มีความนุ่มเย็นไปมาได้รูปยาวตัวเหตุห น, นี้ศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งอย่างที่พวกเทวทัศน์ก็โจมตี ลลายเขาแก้เขาไม่ได้ศาสนาเป็นยาเสพติดเหมือนกับศาสนาเป็นมีความบกพร่องคนไม่เคยอ่านไม่เคยปฏิบัติศาสนาไม่เคยรู้ศาสนาเขาหาทางแก้เขาไม่ได้ออืวัดกินแรงงานเฉลิมเกินของคนนั่นนิ่งข้าดูเฉยเฉยเลยหม้อแกงไปไถนาคนเยอะเวลาได้ เอาได้น้ำมามันก็มางุดหงิดที่แกงมันงานคนละหน้าที่หน้าที่เช่นสาฟ้าชาร์ตแบตเตอรี่มันไปทําในาแน่ไข่ตัวาชาร์ตแบตเตอรี่ได้มีกําลังเราจะออกจากโลงนี้การสั่งสอนอบรมคนให้มีกําลังใจเหมือนกับชาร์ตแบตเตอรี่ไม่ใช่ศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรอคนไข้ไม่ติดยาไม่ติดหมอไม่เกี่ยวข้องกับยาไม่เกี่ยวข้องกับหมอมันจะเป็นคนดีได้ยังไงมักจาก จากนั้นมันก็เป็นคนตายกันร mm hmm. อย่นีงนาด้วยอคนไข้ต้องต้องพัวพันกับยาพัวพันกับหมอต้องเกี่ยวข้องกันถ้าคนไข้ถือว่าการรับทานยาหรือการฉีดยาเป็นยาเสพติดอ mm hmm. เกี่ยวข้องกับหมอเป็นยาเสพติดคนไข้คนนั้นมันก็ตายนะแล้วผู้มีกิเลสก็เป็นคนไข้แต่และประเภทมีความผิดเต็มตัว ไม่มีน้ํำสะอาดเป็นเครื่องชาล้างคือศาสนาแล้วมันจะหาความดีมาจากไหนคนความโลภมันก็รุนแรงความโกรธก็รุนแรงความหนงก็รุนแรงจนไระทั่งโลกแตกได้เพราะไม่มียาบําบัดรักษาเลยเมืนน่อนําพุทธศาสนาหรือนําศาสนาเขามาแก้ไขดัดแปลงหรชาร์ล้างผิวนี้ให้มันมาวางลงมันเป็นความเสียหายที่ตรงไหนนะคนดีขึ้นทุกวันอาการทุกสิทุกอย่างดีขึ้นโลกได้รับความร่มเย็น ศาสนาเป็นยาเสจติดที่ตรงไหนนะเหมือนอย่างคนไข้หายด้วยด้วยยาหายด้วยหมอเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนหาสมดุีิกาที่ตรงไหนยาเสพติดเป็นสิ่งท well er ี fallen, akers, ่ให้คนเสียทังหาอันนี้ไม่เป็นคนเสียผู้มีอะไรติดไม่เลยมีอะไรเลยนั่นแหละคือคนตายอืไม่ติดอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไรคือคนตายคนตายไม่สนใจกับอะไรนี่ เราก็มีความจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นกับธรรมโอสถเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเหมือนการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจิตหมายปลายทางเมื่อไรแล้วทางมีความจําเป็นตลอดไปเช่นเดียวคนไข้เมื่ยังไม่หายจากโรคแล้วยากับหมอมีความจําเป็นตลอดไปที่คนไข้จะต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอแต่ ว, ว่าติดหรือไม่ติดก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องโกลาหลปากโกับหลมันพูดไม่มีเหตุมีผลเหตุผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อค่ายังมีอยู่ตราบใดแล้วยากับหมอต้องมีความจําเป็นในตราบนั้นต้องเกี่ยวข้องกันเพื่อค่ายจะได้หายอันนี้จิต ท, ทั้งเราเมื่อมีกิเลสปัญหาอสวกําลังดําเนินมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางตราบใดเรื่องธรรมะกขาต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นเรื่องขี้บอกเนี่ยทางเรื่อย ๆ, ๆไปจนกระทั่งถึงถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วปุญญาปลาปะไ ป, ะปะหน้าบุคคล เราต่อยเองผู้มีบุญระบาปบรรลัเสียแล้วนะเหมือนเราเดินขึ้นมาบนสะลานเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาไปใครไปกอดบันไดว่ามีไม่มีศาสนาก็ไม่ได้สอนคนกอดแบบนั้นนะีนะ่ะอคนที่หายโรคแล้วก็ไมจะจะมากอดยาไว้กอดหมอไว้อนะหายโรคแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกับยากับหมอนะคนยึดถึง จิดถึงใจเพระาะศาสนาอยางเต็มที่แล้วมันก็เหมือนกับคนไข้กับหมอนะไร<ม>ปลอ่อยวางกันเองเนติดที่ตรงไหนปลอ่อยวางกันเองได้อย่างนั้น<ม>เวลานี้เอาให้เต็มที่ให้ติดพันอยู่นี่นก็จิดสติปัญญาอาให้ติดพัน์กับยิเ<ม>ย่เ ร, รย์ิ่เลยปัญญาเสจติดไม่พูดกัน ธรรมะมาแก้กิเลสมันเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนตัว่ากิเลสตัวยาเสพติดมันติดมาตั้งกับตั้งกันเแี้วจนนับพบนับช้าไม่ได้หรือพุน่นมันขีดกับกีดกันแต่เรื่องเกิดแห่งตายมันติดหรือไม่ติดยาเสพติดหรือไม่ติดทครเป็นคนปล่อยกิเลสได้สักคนเบื่อไห น, น่ายในกิเลสไม่เห็นมีไขวะมันติดอยู่ในหัวใจมันเป็นมองดูใจไม่เห็นเลยทําไมไม่พูดตรงนี้ฮะ เป็นนักกีฬาต้องคู่ต้องยอมรับทันงด้วยค้า ง, งคิดให้ดีสติเป็นของสำคัญพูดเสมอว่าสติปล่อยไม่ได้เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งกับตัวของเรามีสติ จ, จำตั้งให้ดีอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงของการพารางเหล่านั้นมันแรกแต่จะปลุกใจตนเองหาอุบายวิธีที่จิตใจมีความสนใจจดต่อแล้วสติจะตืะต่นเนื่องกันเราคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าแต่คำปริกรรมจะเป็นคําเดียวพลิกหาอุบายต่างๆนามันแ่าจะอุบายนี้ดีปัญญานี่เคยทำมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยทำเอาให้เข้าใจอย่างนี้ปวดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญา เนี่ยภายนอกภายในสติปัฏฐานสี่กายเยจายนุสีญาติอัตตาวากายเยจายนุสีญาติบหิตทวากายเยจายนุสีญาติอจตตาเบหิตทวากายเยจายานุีญาติพิณาทั้งกายนอกกายในพิณากายนายอกบ้างบ้างก า, ายในบ้นรรางพิณ า, า, าทั้งกายนอกกายในคือมันเป็นมากทั้งนั้นปุนรยงะเราสรุปอกค์วามนี้มันถูกต้องขนาดเลย เวทนาเหมือนการเวทนานอกเวทนาในเวทนานนอกที่เขาเป็นนั้นถ้าเขาไม่แสดงอาการออกมาเราก็ไม่รู้แต่สำหรับการปฏิบัติแล้วเราถือว่ากายเวทนาคือเวทนานอกจิตตเวทนาคือเวทนานในสําหรับการปฏิบัติเรามีความรู้สึกแน่นตรงนี้แล้วก็มันพิเสษเรื่องเวทนานอกเก่งขาล่องห่มร่องให้แสดงทุกเวทนาขึ้นมาแต่มันอันนั้นมันห่างไกลมากต่อสัตย์ต่อสติปัญหาสีที่มีอยู่กับตัวของเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว ทวีทนานในเวทนานอกไม่มีในการจิตนี้จะมีอยู่ที่ไหนอสติปัฏฐานสี่ก็ไม่สมบูรณ์ที่เรามีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แต่ละคนละคนนอกจากไม่ฟื้นขึ้นมาในส่วนที่ดีให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาขึ้นเท่านั้นเองเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากแน่ก็มีอยู่ในการจิตอันเดียวกันนี้สมบูรณ์อยู่แล้วสติปัฏฐานสี่ก็มีในการจิตสมบูรณอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นที่แน่ใจว่าสมมุอยู่แล้วนี่แม่เราจะพิจารณาเลื่องรอกเข้ามาประกอบกันบางที่เิดที่บายไปแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องแต่เาเห็นอย่างนั้นแต่ไปเห็นขัดแยง้งต่อธรอาจจะพิจารณาไปไหนได้ทำไมขึ้นตัความฉลาดวิญญาไม่สอนคนใโง่เอาให้จรงให้จริงไอเห็นกิเลสบุดรลอยไปด้วยสติปัญญาของเราจริงๆเป็นไปไดจ้จริงๆสิ่งพิจารณาคือไพ่มันเอาไ้จริงจงจนกระทั่งมันเกิดความสดสังเวชน้าตาลล่ง เหมือเป็นอย่างนี้เหลืออุภาพเป็นอย่างนี้หรือเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรือมันออกอุทานไปในใจมันเป็นจริงๆแนะล้วจะหลุดสองเวทขึ้นมาอันนั้นมันกับเปื่อยพัทงทลายลงไปลงไปสติปัญญาเจาะมันเจาะลงไปไหนเหมือนนึงกับ เ, เอาไฟเผาไปพ่อพ่อไปพังมันไ ป, งงไปเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปกระจายลงไปเปื่อยลงไปเห็นนะเดจิตนั้นมีตั้งแต่ ภาพั น, นั้นกับจิตเท่านั้นใจได้คิดค่าคิดหมาก็บสิ่งใดเด็กจึงจะสร้ามันลงถึงที่สุดของมันแนละ้วจิตก็เข้าใจได ย, ลยหลังพระเจ้าถอดตัวปุ๊บเลยจากนั้นเออมีแต่ดินของพระจ้าคุณก็เป็นอย่างหนึง่งอยู่แล้วหรือออกนั้น่งโดยดินเป็นท่านดินน้ำลงไปฮี่นี่มันหลงอะไรก็เป็นอย่างนี้นมันเสื่อมสั่นระรัง ลบล่างทำหนอาวิชาวิเลศไหนมันเนื้อหน้ามากแหลงคมมากดีอย่างนี้เขาไม่สวยไม า, ามมันก็เสกแต่ไม่วสวยไม า, ามก็เชื่อมันเนี่ยของเป็นอนิจจังเป็ของไม่เที่ยงแปรสภาพอ่ตไลัยเวามมันก็เป็นของกีรังถาวรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไปได้ขังเราตายว้ชาต่อแม่นวิเลศเป็นลบล่างหมดก็เหมือนอย่างพวกเทวทัพ ท, ที่ลบลา่างปัญหาทุกวันนี้มันลบล่างอย่างนั้นเลย เป็นศาสนาเป็นยาเสพติดอย่างนี้่แหละมันลบล้างแบบกิเลสลบล้างธรรมนี่เองนี่จังทุกขังหน้าตาจิตไม่ไปตามให้จังทุกขังหน้าตาเสียมันไปแบบกิเลสทั้งนั้นแล้วลบล้างตัวเองลบล้างธรรมของตัวเองเสียสุภาพสุควาก็เห็นกันอย่างชัดชัดแต่มันก็ไม่เห็นว่าเป็นสุภภาพดูความไมเห็นเป็นของสวงามอะไเสียนมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นลบล้างธรรมถ้า เราได้รู้ตามเรื่องของธรรมสั้นสอนไหมใครจะมาฝืนแบบหามยุทธด้วยอุปทานเต็หมหัวใจให้มันกดพ่วงทับ จ, จิตใจร้อนทั้งวันทั้งคืนแทบรบแทบตายละ่ะมันก็ต้องสลัดตัดทิ้งด้วยกันอย่างนั้นคนเราถ้าเห็นโทษเห็นใครเรื่องการพิาจารณาจริงตามหลักธรรมรู้เจ้ามันมีความรู้ใดขัดแย้งกับหลักธรรมรู้เจ้าจริงๆแล้ว จ, จ, จ, จะเห็นความจริงโดยลํำดับลำดับจิตใจก็ปล่อยวางว่างเป่ า, าไปเรื่อย ความสบายหิวูิวหิวเลยแล้วก็พุ่งไอ้ที่อ้าวกลุมไหนมันคล้องที่ตรงไหนขาดที่ตรงไห น, นตามแก้ตามปลดมันเป็นได้รูปนหมทั้งกายกายทั้งกายนี่ผมอยู่กองรูปอยู่แล้วแยกแย ก, แยกดูทั้งเรื่องอรุภาพรูปทางความกินเล็กกินน้อยมันต่อกันแห่งนั่งกายมันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันมาติดมาต่อ อ, อาศัยเส้นเอ็นมาดึงเอาไว้แล้วอาหนังห่งไมไว้แบบนั้น มันก็เหมือนหนังมันก็เหมือนหนังผ้าคลุมศพมันนี่ะมันจะติดต่อผ้าคลุมศพอาไว้มันเป็นอะไรผ้าคลุมศพนั้นมันเป็นของดีของดีอะไรชอกอันนี้กันหนังหุ่มจระดูกอย่านี้หุ่มือหุ่มฟางก็แบบตกช็อกอย่างนี้มันก็เหมือนกันครับผ้าคลุมศพห่อศพแล้วนั่นพี่แรกพี่นั้นยังไปเห็นความจริงนี่มันก็ถอนมันเองอูปทานมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละ มันจะมืดขนาดไหนมืดมากี่กับกีกันพอเปิดปาจ้าเห็นนั้นความมืดแตกกระจายหมดนี่ปัญญาได้จา้าเราไปตรงไหนแล้วมันแตกกระจายนัตติปัญญาสมาอาภาคมสว่างเสมอด้วยปัญญานี้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรสลับสมมนี้ปัญญาพระที่กสอนมาแต่ที่แจนะ้งนั้นลงไปที่มือพราที่ไม่ตาม ส, สองได้ปัญญาได้สอนได้หมดถ้รู้ปลุกปลงกันหมดจริงโลกโลกวิถีูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งสา เราชันใดสิ่งมันนั่งทั้งนั้นชันนั่งเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันห น, น, นึ่งแปลงทะลุไปหมดด้วยปัญญาที่ซึ้งภายในใจอีกเรื่องการพิจนากายที่เราอยากที่ว่าเอาที่เราถนัดทางไหนถนัดอสุภะก็ฟาดลงไปมันเห็นเป็นกองสุภะอสุภังปฏิปุลโฉโคกเป็นเนื้อเต็มตัวมีแต่กองุอสุภะทั้งนั้นถ้าเราไม่นอนใจให้คิ่เลยต่ำรับอีกต่วเวลาเท่านั้นมันต้องโลหู แล้วพิจารณาเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยมไม่ถือก็ได้ทีมันถือเพราะมันไม่รู้เพราะความสาคัญมันมัดแน่นความสำคัญมันเป็นัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นของเราทุกที่ทุกอันอะไรก่อเป็นเราเป็นของเร า, เเราเทางวิเศษปัญญายุ่มัดทุกสันนิพนธร่างกาทยทํำในหาที่แทรกไม่ได้เมือ่อปัญญาสอแสบแทรกไปตามพีจารณต่อไม่ได้มันก็กระจายปกระจายไปกระจายไ ป, ไปสุดท้าย เข้าใจไดอย่างเต็มเป็นเต็มเลยรู้รอบขอบทิศสละคืนถัดถึงนี้สกูสละคืนตามของเดิมเ้าเสียอานาโยหมดความโง่ใหญ่อะไรเสียดายที่ยังขั้นนี่ทานั้นก็เป็นความสุขมากแล้วเบาแล้วเบาแสนเบาตัด กำไรถ้าพูดถึงว่าลากค้ขขาขายมีกำไรมากมตั้งตรงตึงเศรษฐีได้แล้วในทันทีน้เอาฟาดลงไปความสุขความทุกข์มีอยู่ในขันนั้นกับสักเทวธนาฟังที่ท่านพูดเวธนาคือความสวยมันแสดงขึ้นมาให้เราได้สวยปรากฏขึ้นมาทุกเกิดขึ้นมันก็ดับเยียนะเอา สัมพันธ์สาระสมคัญอะไรสับมันทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปอุปเเกคเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปทั้งทางกายและจิตใจเอาเป็นจัดเป็นคนเอาเป็นเราเป็ของเราที่ไหนได้หลักอย่างด้วยอปัญญาแล้วมันกิเป็นเป็นความิเฉยๆอย่างอย่างทั้งนั้นเลงธาตุสัญญาสัญญานี่สิ่งของละเอียดมากนะในวงกันห้าหนึ่ที่สึกสัญญาละเอียดมากมัน ม, มัน เดี๋วมันค่อยซึมเข้าไปวาดภาพหลอกเจ้ของได้อหยียดได้เหยียดแล้วออกมาทั้งคานมันยังมีกับเพื่อมขนาดที่มันจะปรุงนี้มันรู้สึกมันจะมีอะไรอะไรภารกิจแล้วกระเพื่อมตัวออกมาเป็นความปรุกแต่สัญญานี้ไม่กระเพื่อมเลยกําหนดลงไปนี่มันจะปรากฏเป็นภาพหลอกเจ้ของอยู่แล้วจิตใจมันก็อยู่กับคันห้านี่แหละเอาคันห้านี่เป็นเครื่องหลอกตัวเอง หลอกเรื่องนั้นหลอกเรื่งนี้หลอกเรื่องจัดเรื่องคลเรื่องอะไรแต่อะไรสัญญาณมันหมายว่าภาพอะไรทั้งขานคิดไปปรุงไปตามมัน น, นอนเวลาถึงขั้นทุ่คนรู้มันมันรู้เองที่ว่าเพราะอําอนาจของปัญญาเหมือนกันว่าภาพอนไรว่ากําหนดลงไปแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเข้ามาอยู่ที่จิตที่เสียภาพก็หายเสียภาพอะไรขึ้นมาปรากฏ นี่กําหนดเข้าจริงๆภาพเหล่านั้นก็ย่นเ ข, าาข้ามายื่นเข้ามาก็เข้ามาสู่จิตก็แสดงว่าภาพนี อ, อุปจาจักจิตเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะว่าภาพไปปรากฏภาพอะไรแล้วก็ตามมันออกไปจากใจใจผู้เบ็ยดเบียนหลอกตัวเองต่างหากภาพแท้จริงนั้นไม่มีมันมีอยู่ทามโน้นต่างหากแต่ภาพที่เราว่าดหนึ่งมันเป็นขึ้นจากใจมันหลงหลงกันภาพอ า, าการของขันที่แสดงอยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องเกิดปื้อน ดุ่มหลงเท้าโศกเสียใจเป็นอยู่นี่ตลอดกับตลอด ก, กันวิญญาณจะยัแยับยบๆๆกระทบอะไรก็พอรู้แล้วสิ่งนั้นดับไปอันนี้ก็ดับไปพร่างพร่านเป็นระน่างก็เหมือนแสงห้อยรูอความเมฆคิดคิดไปพิจารณาไปทวนไปทวนมาทวนกระแ่เพราะสติเพราะปัญญาไม่ไว้ไจใจในสิ่งอย่างนี้เพื่อจะทราบความจริงของสิ่งนี้เพื่อความสมดังมันก็รู้จนได้ ขาน่ามันมีเท่านั้นเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นขาน่ามันอย่างนั้นแหละเราไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของส ม, มุ ท, ทยัยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนู่นมันออกมาจับใจส ม, มุ ท, ทยัยส ม, มุ ท, ทัยจะแท้จริงแค่อยู่ทีใจแต่จิตปัญญาตีตะล่ำเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพื่อมาตรวจขันเข้าไปโดยลำดับจนเข้าใจ เป็นระยะระยะเป็นรับเป็นตาบอะไรั้นมันก็แค่เข้าไปแค่เข้าไสุดท้ายก็ไปกองอยู่หนึ่งหัวใจอันเดียวเดียวแยกออกมาเป็นรูปอะมันออกจากใจนม่เสียมันจะตามออกไปทางด้านสัญญาณมันก็ไปไม่ได้ออกไปทางด้านทังขาหน้าจะเป็นเรื่องเป็นร้ําก็ไปไม่ได้เพราะกสิบัญญาทันมันอยู่ทุกระยะพอผูงแยกมาเหมือนสายห้อยพับมันก็ดับไปพร้อม เมื่อสติทันแล้วมันมันไม่มันไม่ตออมันเรื่องราวมันไม่ต่อกันแต่โดยลันดับมันยืดหยัดเราปิดรู้ทันมันก็ดับมันดับมันรู้ทันรู้เท่าพร้อมหมดมันจิตปัญญาก็ฟาดปานหันแหลมลงไปตรงนั้นมันเหลือตั้งแต่วิชาอาวิชารับจิตเป็นเดียวกันนะมันก็มกลืนกันแต่สมนจิตกับสมน์นวิชาที่เดี่ยวเดียวกันยังไง รักจิตสงวนจิตก็รักอริชาพสงวนีริ่ะาติดจิตก็ติดอริยภาพหลงจิตก็หลงอริยานะมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาจึงต้องถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาทำงานม่ต้องบอกแล้ว น, นี่เไปท่าเดียมีแต่จะเอาชนะลุท่าเดียวหรอกมีจะถอยไปยอนไปทางหลังไม่มีทางเป็นอกุปะอกุปะมาเดินำดบ จนระทั่งพอตัวแร้งกอมีวเคลีย er หรือปรมาณูทปัญญาขั้นนิวเคลียขั้นปรมาณูตรัไปตรงนั้นมันก็แหลกแตกกรนะจายไปหมดทีนี้หมดแล้วที่เชือ้อที่เคยเกิด เ, เคยตายมาผีพบผี่ชักผีกับผีกันมันก็เห็นได้อย่างประจักษ์ว่าบัดนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องความเกิดความตายต่อไป เพราะเชื้อที่พาให้เกิดและตายผิววิชานี้ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นที่จำลอผู้ธีทาประมาทอย่างหรือมืตนี้มือจะมีดียาวนางหัติดเมื่อสิดุดพ้นแล้วยางความมุ่แจงช้เม่าสิดุพ้นแล้วย่อปากฏขึ้นทันทีกันใดในขนาดานของพระเราไปสิ้นสุดตรงนี้มาสิสุดที่ตรงไหนสิ้นสุดตรงนี้นั โดชาตแตกกระจาย์ปแล้วก็เรื่องง า, น, นะานนั้นภาพสุขที่ลบกันไปหมดสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเพียวนันก็หมดภาะระไปเองหมดปัญหาตปเองอ่นี้ก็ไม่ได้ค่าก่เลสตัวใดอีกแลวก้วนี่กิเลสตัวไหนจะมาค่ายิ่งทิพไถ่หมดแล้วจอมมตัตตจันสิ่นสุขต่อเรามันก็หมดทั้งนั้นผลแหน่งงาน เราที่ทํามามากน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเกินเกินค่าแล้วมาถึงตรงนี้แล้วมดอดิอนาคตอดสําคัญมันหมายปัจจุบันก็ร <au S 2> ู้เท่้งแล้วชัดเจนแล้วทุกอย่างหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาไม่มีเลยอันนี้ว่าอยู่ท่านก็มีปัญหาตาที่านก็มีหาผู้ที่รู้อย่างนั้นแล้ว กแลาวตายต้ยด้วยเหตุผลกลกาะรก็ตามเขาอิองปัญหาเมื่อถึงขั้นหมดปัญหาแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้นสำหรับพระอรหันท่านตายด้วยเห็นนี้เองท่านจะเดินนิพพานก็ได้เดินนิพพานก็ได้ น, น, นั่งนิพพานก็ได้นอนนิพพานก็ได้ตามวิทยาศาสตร์องค์ความถนัดใจของท่านแต่และองคที่ท่านจะทารังนิพพานนั่นท่านเคยแสดงที่เราเขียนไว้อย่างต่อท่านนั่น เพราะอะไรเพราะทุกเวทนาเป็นเรื่องสมมติภายนอกนี้ไม่สามารถที่เขาไปเหยียดย่ำธทําชาตจิตใจท่านได้ความรอดให้หลุดหายได้แล้วท่านทำไมท่านจึงทำนิพพานตามอายาสายท่านไม่ได้ท่านเหนือสมมุติแล้วนี่เวทนาก็เป็นสมมุตินี่ทุกเวทนาแล้วมีแต่เกียงอยู่ร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปทับถมจิตใจท่านให้หวัง ไ, ได้เลยท่านทำไมจะทําไม่ได้ตามอายสอาสายนิพพานท่าอะไรก็เอาที เปนวาระสุดท้ายนาาหนึ่งเอาชนะไหนต่อไปนี้ท่านปัญญาที่บาย